เราน่าเกิดในยุคต้นเนาะยุคต้นดีพระเจ้าบอกว่าทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุหัดเหตุก็ดับโอ้บรรลุธรรมไลยเราเนี่ยจะเกิดในยุคนั้นเนาะทำทั้งหลายเป็นของร้อนสเพธมาณตาทำทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนอาศัยเหตุเกิดโอ้เจ้งแล้วบรรลุธรรมแล้วทำไมเราไม่เกิดในยุคนั้นเนาะ ต้องมาทรม า, านผ่านความง่วงผ่านความเบือ่อผ่านความอึดอัดนนแต่ละวันละวันผ่านมาปีแล้วปีเล่าทำทั้งหลายยังเป็นอัตตาอยู่เลยพวกเราทำทั้งหลายไม่เห็นเป็นอนัตตาเลยในยุคต้นๆนยะพระเจ้า พ, พูดหน่อยเดียวเองที่บอกความจริงคนในก่อนสมัยพุทธกาลนะเขาถามหาต่อเรื่องเหล่านี้ถามหาต่อธรรมะ ถามหาว่ากระบวนการของธรรมชาติทั้งหลายเป็นยังไงคําว่านิพานคําว่าสติคําว่าธรรมทั้งหลายคําว่าอะไรทั้งหลายที่เราสวดเนี่ยมีหลายคําและเกือบทั้งหมดไม่ใช่คําของพุทธศาสนาโดยตรงาศาสนาอื่นและที่อื่นๆก็มีคําว่านิพานเช่นกันสินห้าสินแปดที่เรารักษาศินหน้าสินปดที่เราเอามาสวดเอามารักษากันเนี่ย ต้นกำเนิดก็ไม่ใช่ของพุทธเจ้านะนม่ใช่ของพุทธเจ้าเป็นต้นกาเนิดที่เกิดขึ้นในยุคของตามธรรมบดนเกิดขึ้นมายนานมากแล้วแต่มันเป็นข้อวัดที่ดีเป็นข้อวัดเป็นข้อปฏิบัติที่คนในแต่และยุคเขาเขาส่งต่อกันขึ้นมาแล้วเขาก็ถือปฏิบัติศีลห้าเกิดจากการงดเว้นการเบียด เ, เบียนตัวเอง การเบียเบียนคนอื่นสินแปเพิ่มเข้าไปอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นสินุบสถดวันพระแปดขั้มอะไรทั้งหลายนั่นี้งไม่ใช่ต้นกําเนิดของพุทธศาสนาแต่เดินทีเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนเป็นดีทีดีทีสามเดือนสามสิ้าขั้มเดือนสามสิห้าขั้มเดือนหกสิบห้าขั้นเดือนแป ด, 6, ด 8, ทั้งหลายเหล่านีน้เป็นดีถีเป็นอ ะ, อะไรล่ะเป็นจารีบประเพณีดั้มเดิมซึ่งมันมีคุณงามความดีอยู่แล้ว พุทเจ้าก็แค่เอาสิ่งที่ดีอยู่แล้วเรานั้นมาใช้ต่อมาใช้ต่อมาขยายต่อสิ่งแต่มันเพิ่มเรื่องอเขาเรียกว่าสิลอุโบสถสิลอุโบสถนี้ก็เกิดขึ้นก่อนเกิดขึ้นก่อนพุทธศาสนาเขาเพิ่มเรื่องการงดเว้นงดเว้นการบำลุงบรงเปาใชา้วิธีชีวิตจะมีภากหนึ่งคืฟ้าของคารวะภ า, าของคนที่อยู่ครองเลื่อนคนที่อยู่ครองเลือน กับอีกายหนึ่งเป็นฝ่ายของคมที่ออกจากเรือนกติกาดเดิมๆพื้นเพย์เดิมๆของสังคมในยุคพุทธกาลมันเป็นอาตมาอาจจะพูดสรุปภาวนาเนาะพูดเรื่องนี้ทําไมพูดเพื่อปูกพื้นเพย์ให้เราฟังพื้นเพนว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยคนโบราณเขาทําอะไรครับมันเกิดขึ้นในยุคไหนพื้นเพดย์เดิม ของสังคมจะมีสองฝากฟังในยุคพุทธกาลในยุคที่ผู้คนแสวงหาเรื่องเหล่านี้นะพื้นเมืองเดิมๆคือฝ้าฟังหนึ่งคืออยู่กับชาวลูกอยู่เป็นเจ้าค้าลหลวงฮทั้งหลายแอีกฝ้าฟังหนึ่งคือพวกที่ออกออกบวชออกบวชไม่เฉพาะพระไม่เฉพาะสิทธิของตถาคตไม่เฉพาะพวกเราทุกลทัทธิทุกศาสนาอาในอินเดียเนี่ยถ้าเราไปเราจะเห็นเยอะมาก สี่ห้าพันปีไปต่อมาอินเดียก็ยังมีสองฝั่งฝั่งนี้อยู่สมบูรณ์แบบก็จะมีคนประเภทนักบวชแบบแปลกๆเยอะมากแต่เขาก็จัดรวมกลุ่มไว้ในกลุ่มของคนนักบวชพวากลุ่มนักบวชเนี่ยเขาจะมีกติกาที่สังคมรับรู้กันว่าพวกนี้จะไม่ค่อยครอบครองพวกนี้จะมีชีวิตที่อิสระพวกนี้จะไม่ของบ้านของเลนมีอะไรบ้างที่ทาไม่ได้ จะไม่ตอบสนองต่อความชอบไม่ตอบสนองต่อกิเลสไม่ครอบครองเรือนไม่ครอบครองวัตถุวัดสดุทั้งหลายเป็นหลักจะใช้ชีวิตเพื่อสแสวงหาคำตอบชีวิตคืออะไรธรรมะคืออะไรธรรมาชาติตั้งหลายคืออะไรเขาจะใช้ชีวิตเพื่อหาคำตอบเรื่องนี้เป็นหลักทุกลักที่ทุกลักที่ใครได้คำตอบว่าแบบไหนความคิดเห็นลงกันได้แบบไหนก็ไปตั้งกุกันใหน ไปตั้งโกงไปตั้งแก๊งไปตั้งกลุมไปตั้งาศาสนาไปตั้งลัทธิเกินขึ้นแล้วก็ตปล่าระกาศชุดความรู้ทีนี้พวกสินห้าที่เป็นศิลของชาวบ้านบางกลุ่มก็ถือแค่สินแปดชาวบ้านมีบางส่วนที่เขาก็ถือสินแปดเช่นกันเพราะสินเบอร์อสุดเลยกลายเป็นสินที่เพิ่มกันไม่ตอบสนองตัวเองเข้าไปไม่บำรุงบำรเลอแบบชาวโลกเข้าไปกลายเป็นสินแปด เรื่องหนึ่งที่เขาเก่าเอาไว้ที่เป็นต้นเป็นต้นเขาว่าศินแปดเนะีเกิดขึ้นนานเมื่อคนตัดฟืนพอมาถึงต้นบ่ายตัดฟืนไปส่งบ้านเศรษฐีพอมาถึงต้นบ่ายเนะี่ยเขาคนในบ้านเศรษฐีเขาถือสินแปดเขาไม่อ่าเขาไม่กินอาหารต้นบ่ายพาถึงเวลาเขาก็จัดการเรียบร้อยตั้งแต่เที่ยงทีนี้คนตัดฟืนเนี่ยเขาไปตัดฟืนนานพอมาถึงต้นบ่ายมีความที่เหน็ดเหนื่อยได้ฟืนมาเยอะ เพิ่งไปทางานใหม่ในรู้ทันเนียมเขาก็ไปจัดการอาหารหมด mm hmm. พอคนตาดเฟนกลับมาไม่มีอาหารกินด้วยความหิวทางคนที่ดูแลอาหารเขาก็บอกว่าวันนี้เป็นวันอุโบสถเป็นวันุโบสถที่บ้านเรือนนี้เขาถือบอสถกันทุกคนคนตัเฟนนั้นด้วยความที่ใจก็อยากเป็นคนดีกับเขาบ้างด้วยความหิวแกก็เลยมันมีคําว่าอะไรนะ บ้วนปากล้างหน้าอาบน้ำชำระกายสมาทารสีนุโภสดที่จะตั้งตัวไว้ด้วยความไม่บํารุงเลยไม่บํารุงไม่บําเลอกายตั้งใจให้มั่นรักษาค้มครองกายใจของตัวเองแต่ด้วยความหิวด้วยความที่กายร่างกายทํางานมานานผ่านไปกั้งคืนหิวตายหิวตายเลยแต่ด้วยอา น, นิสงส์งนั้นที่เกิดเป็นเทวดาะประมาณเนี้ยเนื้อเรื่อง แต่เองนี้เล่าเพให้ฟังว่าคนสมัยนั้นใจเด็ดเดี่ยวขนาดนั้นใจเขาเด็ดเดี่ยวมากเด็ดเดี่ยวที่จะทั้งทังที่กินข้าวก็ได้อาตมามาได้บอกว่าห้ามพวกเราแอบเอาขนมออไปกินนะเอาโรดใครกินนะกําลังเล่าให้ฟังว่าคนสมัยก่อนใจเขาเด็ดเดี่ยวแบบเนี้ยพอผ่านยุคผ่านสมัยมาเรื่อยๆพอมาถึงยุคพุทธเจ้ายุคนั้นพื้นฐานสังคมก็ยังเป็นเหมือนเดิม ยังตั้งคำถามต่อชีวิตยังยังหาคำตอบต่อเรื่องเหล่านี้เหมือนเดิมพอพอมาการพัฒนาด้านชีวิตด้านการอยู่ร่วมกันด้านกติกาของสังคมด้านความรู้ของมวลมนุษยชาติในยุคนั้นเท่าที่จะรู้ได้แต่ในด้านหนึ่งที่พวกภาพพวกหนึ่งก็แสวงหาคำตอบของคุณค่าคุณค่าของชีวิตตั้งแต่การเกิดการแก่การเจ็บการตายสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทุกคนเห็นเหมือนกันไม่ใช่แค่พระเจ้าเห็นหรอกทุกคนก็เห็น เขาก็ได้ตั้งคําถามต่อสิ่งเหล่านี้ว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรมันจะนําพาเราไปสู่จุดไหนคนข้าขความหมายที่แท้จริงของการเกิดขึ้นกับการตั้งอยู่ระดับไปของของชีวิตหนึ่งเนี่ยคืออะไรเขาตั้งคําถามต่อสิ่งเหล่านี้เขาก็มีวิธีการไปฝึกไปฝน ไ, ไปหาคําตอบกันที่หลากหลายพระเจ้าเราก็ไปลองแบบคนอื่นๆมาเท่าที่พื้นเพในช่วงนั้นไปฝึกทางจิตบังคับจิตให้อยู่ในอารมณ์เดียวนิ่งๆท่านจนสุด ทำจนทาให้มันนิ่งด้วยความไม่มีอะไรเนวัสัญญานาวสัญญาให้มันรู้สึกเหมือนไม่มีอะไรแล้วให้มันชินกับสภาวะของความไม่มีอะไรที่เป็นความว่างแต่ว่างที่เกิดจากการกระทำให้มันว่างทั้งที่สุดพุทธเจ้าว่าอ้าว่ได้ออกจากความว่างนั้นมามันก็มีพอเราเข้าฌานมันก็ว่างทำให้ว่างมันก็ว่างแต่พอออกจากฌานมามันมีอยู่เนี่ย กิเลสตัณหาก็ยังมีอยู่แสดงว่านี่ไม่ใช่ทางนั้นลองไปบังคับกายลองไปลงมือกับกายหนักๆดูซิไปทรมานกายจนถึงที่สุดเฮ้ย <Hey, S 1> ไม่ใช่ทางพระเจ้าทดลองในการบังคับสองอย่างมาแล้วนั่นถึงจุดหนึ่งพระเจ้าเริ่มเข้าใจนี้แหละถ้าการบังคับไม่ใช่ทางแล้วแต่มาชาติคืออะไร แส่ธรรมชาติทั้งหลายมันเป็นกระบวนการของมันพระเจ้าก็แค่มา น, นั่งรอดูด้วยความที่ท่านก็เข้าสมาธิระดับหนึ่งมามันก็เห็นว่าอาการความคิดก็เกิดขึ้นโดยธรรมชาติพวกนี้อันนี้มันเป็นถ้าคนที่เคยทําสมาธิน่ยจะเห็นเวลาเข้าไปในสมาธิลึกๆจิตสงบหรือเวลาเราถอดออกจากสมาธิมาเนะี่มันจะมีช่วงหนึ่ง เ, เหมือนเราเหมือน อาการที่เราพยายามบังคับจัดการเนี่ยจะหายมันจะเป็นอาการของความคลด่ไหลโดยธรรมชาติกายเคลื่อนไหวโดยธรรมชาติใจที่มันตั้งมั่นเป็นรู้ผู้ดูเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติเช่นกันถ้าทําสมาธิที่ถูกนะจะมีอาการแบบนี้ติดมาด้วยอาการเหล่านี้มันเหมือนกับอาการที่เราภาวนาแล้วเราเราได้กําลังสติที่สติเราตั้งมั่นดีๆเนี่ยเมื่อเราเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกตัวดีๆเนี่ยความคิดอยู่ทางหนึ่งกายอยู่ทางหนึ่ง อาการรู้ก็เป็นอาการที่อยู่อีกทางหนึ่งเนี่ยอาการอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นในกําลังของสมาธิได้ด้วยเช่นกันมันก็เห็นนั่นแหละว่าอาการทั้งหลายมันเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นแล้วก็เรียนรู้ตัวมันเองก็เป็นก็มีไม่ต้องไปบังคับจัดการมันก็มีมนี่เป็นร่องของทางสมาธิฏฐิด้วเจ้าเลยก็เลยเห็นว่าโอ้ธรรมชาติทั้งหลายไม่ต้องบังคับก็ได้นะพระองค์ก็เลยลองทดลองวิธีนี้วิธีทางใหม่นั่นแหละ เคล็ดลับของพุทธเจ้าที่เรียกว่าพินสามสายสัมมาทิฏฐิล่องขอล่องของมันอยู่ตรงนี้พอพุทธเจ้าแค่เรียนรู้กายใจนั่งคาสมาคูบาลังปล่อยกายปล่อยใจดูดูลมหายใจธรรมชาติจิตสงบความคิดเกิดขึ้นเกิด ข, ขึ้นได้ยังไยงยานแรกที่พุทธเจ้าเจอใช่ไหมปล่อยกายปล่อยใจให้การรับรู้ทํางานไปรับรู้ผ่านลมหายใจผ่านธรรมชาติทั้งหลาย ความปวดความเมื่อยอะไรทั้งหลายที่เกิดขึ้นอุเพนิวะใช่อุเพก่อนเนาะอุเพเกิดก่อนอุเพนิวะสัญญาณว่าตามอารมณ์ของวิปัสสนานะไม่ว่าตามอารมณ์ของปริยัติไม่ว่าตามอารมณ์ของความเชื่อว่าตามอารมณ์ของวิปัสสนาอุเพนิวะสัญญาณเกิดขึ้นเห็นความคิดความคิดเกิดไปแล้วความคิดเกิดไปแล้วอารมณ์ทั้งหลายเกิดไปแล้ว ใจ บ, บังคับหมกบุ่นกับอารมณ์บางอย่างเข้าไปเจือกับอารมณ์บางอย่างตั้งนานแล้วขยับหน่อยหลุกออกกลายเป็นธรรมชาติความคิดเกิดไปตั้งนานค่อยเห็นค่เห็นอา่ามณ์เกิดขึ้นหายค่อยหายค่อยหายค่อยหายต่อมายามต่อมาพระพุทธเจ้าเห็นอดีตต่าคิดเรื่องอดีตคิดเรื่องอานาคตทีนี้มันคิดเรื่องอานาคตก่อนมันเกิดไปก่อนตั้งนานคิดเรื่องอดีต เห็นต <kiem> ั i, ้มมันเริ่มเกิดอดีตเรื่องคุณคุยเรื่องนั้นอารมณ์เก่าๆเริ่มผดเรื่อมโพขึ้นมาเริ่มผลเรื่อมโพขึ้นมาจมไปบ้างหายไปบ้างอย่างที่สามเรื่อมเกิดจยู่ตัวกัปาติยานมันเกิดความเชี่ยวชาญเกิดความเชี่ยวชาญในอารมณ์ของความคิดไปข้างหน้าอารมณ์ที่มันคิดมาจากข้างหลังมันดึงอารมณ์เก่าขึ้นมาดึงอารมณ์ที่จะไปข้างหน้าดึงอารมณ์ที่ไปไปข้างหลังวันเราทําภาวนาในวันนี้เราเห็นความคิดไหม บางทีมันก็คิดออกไปข้างนอกบางทีก็ไปดึงคิดเรื่องเก่าเห็นไหมถ้าเราเห็นการคิดมากเข้ามากเข้ามันจะเห็นว่าในขณะที่มันกําลังจะคิดอะไรกําลังเกิดบ้างจุดตัวประปัญญาเ น, นี่ยมันก็จะเที่ยวชาญในการคิดในการปรุงในการที่ใจมันขยับกระดิ่งเคลื่อนไหวนี่คืออารมณ์แบบจุดตัวประปัญญานในแบบที่เป็นวิปัสสนาที่ครูบาอาจารย์ท่านบักอธิบายกันอ ธ, ธิบายไม่ละเอียดหรอกเรื่องเนี้ย อาตมามันมุ้งออกไปหมดกับไอ้สามสี่ญาณเนี่ยตีกันมุออ่งอะไรบางทีก็คิดข้างหน้าบางทีก็คิดขั้งหลังบางทีก็เห็ น, นบางทีก็จมไปนั่นแหละอารมณ์แบบนี้แหละพระเจ้ทาทําอะไรพระเจ้าเจ้าแค่นั่งดูประเด็นหนึ่งประเด็นหนึ่งที่ชัดประเด็นหนึ่งที่พระเจ้ทาทํานั่งดูมันเฉยเฉยนั่งดูมันเฉยเฉยเระเดิมทีพุทธเจ้าบังคับใช่ไหม ก็จะเจ้าไปบังคับกายไปบังคับใจแต่พระองค์เลือกวิถีทางใหม่ของตัวเองนั่งดูนั่งดูมันทำงานมันก็เห็นกระบวนการเห็นกระบวนการพยามาลทั้งหลายคืออะไรพยามาลมีสามมีสามน่างใช่ไหมราคาโทสะโมหะความอึดอัดขัดเคืองอยังวันนี้อากาศร้อนใ บ, บายนี่ อันนี้เสนามานหรือพยาบาลมาไม่รู้วันนี้เวลาอ่ดอัดขัดเคืองเวลามันโอ้มันร้อนนี่ร้อนจนปวดหัวนนะใจดิ้นลนอยากไปนั่นอยากมานี่ตัวที่หนึ่งโวยวายเรื่องนั้นเรื่องนี้นี่แหละสามนางเนี่ยมามาหาเรามันจะทำให้เรานั่งดูไม่ได้อาการเหล่านั้นนั่งดูไม่ได้พระเจ้าเอาที่วาสนะขันติ พระแมธ่ธรณีพระแม่ธรณีหมายถึงความตั้งใจความขันติความตั้งใจความอดทนของใจที่จะฝ่าอารมณ์ของความปวดความเมื่อยเหมือนวันนี้เรานั่งอยู่ไมาจะความเมื่อยความง่วงความปวดที่เกิดขึ้นเนี่ยพระเจ้าก็เกิดนะเห็นไหมพระพุทธเจ้าก็เกิดสามตัวนั่นเลหนางสามนาง พร้อมเสนามมนทั้งหลายนั่นแหละคืออาการที่เกิดกับเราในวันนี้นั่นแหละคืออาการเดียวกันพุทธเจ้าเอาชนะแล้วผ่านเรื่องเหล่านี้ด้วยใจที่ตั้งมั่นคือพระแม่ธรณีคือใจที่ตั้งมั่นว่าเราจะนั่งดูนั่งรู้นั่งรับรู้กับมันอยากลุกขึ้นไปเดินดูอยู่กับมันก่อนนั่งอยู่เคลื่อนไหวมันอยากไปคิดขยับออก ความร่วนเกิดขึ้นเบื่อปอิตาเกิดขึ้นทนฟา่าเื้นนี่คือหน้าตาของพระแม่ทรณีเราก็ต้องใช้นะเราภาวนาต้องใช้อันนี้เช่นกันใช้พระแม่ทรณีของเราเช่นกันเพราะฝ่าฟันเรื่องเหล่านี้ไปมัน ค, ค่อยๆเข้าใจเข้าใจแล้วเราจะเข้าใจธรรมาชาติทั้งหลายที่เกิดขึ้นหลังจากพระเจ้าเข้าใจเรื่องนี้พระทเจ้าก็เลยเอามาอธิบายอุปทานเพื่อเท่าปุะธานแรกของพระเจ้า อันก็ชาติสั wind, them, them ้างซาลาสั้นถาวริสั้นอันี้พิสั้งปัญหาเจ้าเรือนเราเจอเจ้าแล้วสิ่งแรกแต่พทธเจ้าอุทานอันนี้ก็อันนี้ก็ชาติสั้างซาลาสั้นถาวริสั้นอันี้พสั้งปัญหาเจ้าเรือนเราเจอเจ้าแล้วปัญหาในคุณหน้าตาอาการไหนเรานล่งอยู่ที่เฉยไม่ได้มันอยากไปทําไอ้นู่นมันอยากมาทำไอ้นี่ใจเราที่พยายามจะดิ้นรนไปสู่ไอ้นั้นไอ้นี่เลย หน้าตาหน้าสุดของมันคือตัวตนหาอย่างเรานั่งอยู่อย่างนี้อย่างเรารับรู้อาการที่เกิดง่ายๆเรารับรู้มันได้ไหมอาการที่กำลังเกิดกับกายเนี่ยเรารับรู้ตรงๆได้ใช่ไหมแค่นี้แปบ๊บเดียวมันจะไม่รับรู้ตรงๆอีกแล้วมันจะพยายามไปยุ่งกับอาการที่เกิดอีกแล้วพยายามรู้พยายามขยับใจก็พยายามจะคิดเห็นไหม เรื่องหลังของการที่ทําให้ใจเราพยายามไปยุ่งไปยุ่งไปยุ่งกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงๆนี้ไม่ยอมรับรู้ตรงๆง่ายๆเรื่องหลังหน้าด้านหน้าสุดของมันคือตัวตันหาใจที่จะพยายามให้เกินจากธรรมชาติเหล่านั้นไปตัวแรกสุดลูกน้องที่อยู่หน้าสุดคือตัวที่เรียกว่าตันหาพุทธเจ้าเห็นตัวนี้ใจที่คลื่น อ, ออกจากธรรมชาติเหมือนเรานั่งอยู่ตัวนี้ในวงจรปฏิจจสมนะุปาฏนา อริชาปัจจยาสังขารปัจจยานามรูปปัจจยาวิญญาปัจจยาสลาญาตนาปัจจยาอาญาตนาปัจจยาสลาญตนาปัจจยาภาษาปัจจยาเวทนาปัจจยาเข้าใจสักคำไหมเห็นนั่งหน้าหรือหรืออาตมาว่าแล้วการคิดอการเผลอเกิดขึ้น จิตสร้างภาพสร้างอารมณ์สร้างความคิดรับรู้ภาษะเอาเอาช็อตสั้นๆง่ายๆตอนนี้นเรานั่งอยู่เนี่ยความรู้สึกอะไรที่เกิดกับกายเราบ้างความเย็นเกิดขึ้นเห็นใจมันดิ้นรับไหมความร้อนเกิดขึ้นเห็นใจมันดิ้นปฏิเสธไหมช็อตสั้นๆของปฏิจจสมุปาฏทํางานครบกระบวนการล้วผัสะ ปัจจยาเรามีกายมีใจมีภาษาญาตนะมีหูมีตามีกายทั้ง6นี่คืออาตนะภาษามีเกิดการกระทบกับอารมณ์ลมพัดผู้หนึ่งกระทบกายภาษาเกิดเวทนาเกิดความรู้สึกอะไรเกิดเย็นร้อนอ่ อ, อนแข็งที่เราใช้ที่เราใช้เครื่องมือเนี่ยที่ให้ดูเวทนาวีดูเวทนาเวทนาตัวนี้ คือสิ่งที่อาตมาใช้ภาษามันว่าอาการอาการที่อาศัยกายเกิดนั่นแหละคือตัวเวทนาตัวเวทนาตัวนี้ทําไมจึงใช้ตัวนี้เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติเรานั่งอยู่นี่ความปวดความเมื่อยเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติเรานั่งอยู่เนี่ยนะความปวดความเมื่อยที่เกิดขึ้นเป็นธรรมชาติลมพัดอุ้หนึ่งผ่านร่างกายเราเป็นธรรมชาติความรู้สึกที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นธรรมชาติ เราก็รับรู้ตรงนี้รับรู้ตรงนี้เพราะถ้าเราไม่รับรู้ตรงนี้สิ่งที่ทำงานต่อจากนี้คือตัณหาตัณหาจะเข้าไปสั่งการต่อตาก็ทบรูปความชอบไม่ชอบเกิดขึ้นรู้สึกแบบนี้เห็นคนนี้รู้สึกแบบนี้ตัณหาเข้าแทรกแล้วมันก็จะสั่งให้เราไปทำอะไรต่อเกิดโทสะไมชะ่ชอบรูปนี้โทสะเกิดชอบรูปนี้ ราคาเกิดความโลภะเกิดมันพลิกกันอยู่แค่นี้แต่ถ้าเรามีสติเราฝึกสตินี่ตายเห็นรูปรู้เท่าทันแทนที่มันจะส่งต่อไปสู่ตัณหาอุปาทานมันก็ส่งต่อสู่สติสู่การรับรู้สู่การเรียนรู้เรียนรู้ต่อสิ่งทั้งหลายชดมันอยู่ตรงนี้พุทธเจ้าเห็นตรงนี้พุทธเจ้าแต่ละพระองค์เห็นตามหลักปริยัติเขาบอกว่า ในการเห็นของแต่ละคน่ะเห็นไม่เท่ากันบางคนเห็นครบทั้งกระบวนการก่อนแล้วค่อยเข้าใจบางคนเห็นแค่อวิชชาเข้าใจเลยบางคนเห็นนามรูปเข้าใจบางคนเห็นภาษายาตนะและตันหาเข้าใจพระเจ้าเห็นตันหาการเห็นตันหาตรงเนี้ในใ้สิ่งที่เราฝึกเนี่ยพอการเห็นใจตรงนี้ก็ฝึกสติตรงนี้ดีๆนะถ้าเราเริ่มจากสิ่งที่เป็นธรรมชาติดีๆง่ายๆรับรู้ง่ายๆเนี่ยมันจะเห็นตรงหลักเนี่ยได้ง่าย ใจเราจะสัมผัสสิ่งที่เป็นธรรมชาติตรงๆซื่อๆพวกนี้จะรู้สึกตัวซื่อือตรงๆเนี้ยได้ง่ายพอรู้สึกตัวซื่อือตรงๆอย่างเงี้ยได้ง่ายมันจะเห็นอาการที่เป็นปกติเป็นธรรมชาติได้เร็วถ้าเห็นอาการปกติของธรรมชาติทั้งหลายได้เร็วมันจะเห็นอาการที่เกินจากปกติจากธรรมชาตินั้นไปได้เร็วถ้าเห็นอาการที่เกินจากปกติธรรมชาติไปเร็วใจมันก็จะแยกออกแยกออกระหว่างรู้สึกตัวซื่อ ความปกติล้วนๆกับอะไรที่เกิดไปจากนั้นจะเห็นกระบวนการลอยต่อตรงนี้ได้ไหวแล้วเราจะเคลื่อนไหวรู้สึกตัวแบบธรรมชาติได้ง่ายนี่คือจังหวะของมันช่วงแรกพุทธเจ้าพอเข้าใจมาพุทธเจ้าอธิบายกระบวนการของธรรมะทั้งหลายพุทธเจ้าอธิบายให้ผู้คนฟังว่ากระบวนการธรรมชาติทั้งหลายเป็นแบบนี้แบบนี้เป็นหลักก่อนหน้าพุทธเจ้า ไม่มีชุดความรู้แบบนี้สิ่งที่พระพุทธเจ้าอธิบายนะชุดความรู้ทั้งหมดในโลกก่อนหน้าพระพุทธเจ้าและหลังพระพุทธเจ้ายังไม่มีชุดความรู้แบบนี้เกิดขึ้นเลยชุดความรู้ที่อธิบายว่าธรรมชาติมันทางานอยู่แล้วชุดความรู้ที่ว่าธรรมชาติทำงานอยู่แล้วไม่ต้องมีเราก็ได้เราเป็นหนึ่งในผลผลิตนั้นเท่านั้น ทุกชดความคิดทุกๆดความเข้าใจของมนุษย์โลกจะมีเราไปกระทําต่อบางอย่างหรือมีบางสิ่งไปกระทําต่อบางสิ่งตัวนี้เอาฟังดีๆนะตัวนี้เกี่ยวกับการวางใจเรื่องภาวนาวทุกชุดความรู้เขาจะตั้งต้นว่ามีบางสิ่งกระทบกระทํากับบางสิ่งเขาต้องการผลอย่างนี้เขาจะพยายามเอาสิ่งนี้ไปกระทบสิ่งนี้เพื่อให้เกิดสิ่งนี้ เป็นชุดความคิดแบบนั้นต้องการหมดกิเลสเขาจะทำให้ใจไม่มีกิเลสต้องการความว่างเขาต้องการความสงบเขาจะบังคับให้ใจมีอาการสงบทุกชุดความคิดเลยจะเป็นแบบนั้นแต่พระพุทธเจ้าเข้าใจแบบนี้พระพุทธเจ้าอธิบายว่าความสงบมีอยู่แล้วสิ่งที่เกินจากนั้นคือสาเหตุที่ทำให้ความสงบหายไปเราแค่รู้จักไม่ต้องทาให้เขาหาย รู้จักเหตุเกิดกระบวนการของธรรมชาติทั้งหมดซะ ม, มันไป็ชุดความคิดแบบนี้เหมือนกันพวกเราจะเริยนสติเคลื่อนไหวนี่เราไม่ใช่พยายามสร้างสติถ้าเราพยายามสร้างสติขึ้นมามันจะไม่ใช่ชุดของพุทธเจ้าในวิธีเคลื่อนไหวแบบนี้นะเราจะใช้หลักการนี้ไม่ต้องไปสร้างเขาขึ้นมาเขามีอยู่แล้วแค่ไปกระตุ้นให้ธรรมชาติตัวนี้ทางานให้ได้ ไปกระตุ้นให้เขาทำงานให้ได้แค่นั้นถ้าเราพยายามมีสติไม่ให้มันคิดไม่ให้มันโกรธไม่ให้มันเผลอแอ้นั่นแสดงว่าเราทำแบบอื่นที่ไม่ใช่แบบพุทธเจ้าพุทธเจ้าไม่ได้ทำเพื่อให้สิ่งต่างๆหายพุทธเจ้าทำเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในกระบวนการของธรรมชาติทั้งหลายเท่านั้นในวิธีภาวนาของพพุทธเจ้าในแบบเจริญสติเนี่ย ทำเพื่อสร้างเหตุให้ธรรมชาติที่มีอยู่แล้วซึ่งเขามีหน้าที่รับรู้เรียนรู้ต่อธรรมชาติที่กำลังเกิดให้เขาทำงานให้ได้หน้าที่เรามีแค่นั้นที่เหลือเป็นกระบวนการของธรรมชาติที่จะอาศัยกันอาศัยการเกิดอาศัยการดูอาศัยการเรียนรู้เม่หน้าที่ตัวหนึ่งส่งต่อสู่ตัวหนึ่งสู่ตัวหนึ่ง ทานไม่มีกระบวนการของการเผอเข้าไปเพิ่มความเผอนั้นให้มากขึ้นผลก็คือใจคุจ้นจินกับการเผอไปกับความคิดความโกรธเกิดขึ้นเราคุ้นจินกับการให้เชื้อกับความโกรธไปเรื่อยๆเหมือนอะไรล่ะเหมือนยาเสพติดตอนแรกเราอาจจะกินเหล้าไม่เป็นสุโขทัไม่เป็นเราอยากแล้วไปลองครั้งหนึ่ง แล้วก็องครั้งที่สองลองครั้งที่สามผลสุดท้ายคือมันก็ติดปุ๋ยนั่นแหละคือกระบวนการมันเป็นแบบนี้แต่ถ้าเราสร้างเหตุให้ตัวธรรมชาติสติเนี่ยตัวธรรมชาติสติเขาก็จะค่อยๆเรียนรู้กายเรียนรู้ใจแล้วก็ส่งต่อสุขกัญญาเขาจะส่งต่อกระบวนการแบบนี้มันจึงไม่ใช่การพยายามไปสร้างอะไรมาเพื่อไปจัดการอะไรนี่เป็นชุดความคิดนี่เป็นชุดของทิฏฐิเราไม่ต้องสร้างบางอย่างเพื่อไปจัดการบางอย่าง เราอยากได้ความสงบไม่ต้องบังคับให้ใจสงบในวิธีคิดแบบนี้นะไม่ต้องบังคับให้ใจสงบเห็นมันซะว่าอะไรทำให้ความสงบหายลองเข้าใจแบบนี้สิแล้จะง่ายเราอยากเราจะเจริญสติจะรับรู้กายเรียนรู้กายเรียนรู้ใจงั้นรู้สิ่งที่ทำให้การรับรู้กายและรู้ใจหายไปมีอะไรบ้าง ความคิดความเผอความรุนแรงความฟุง้งซ่านก็แค่รับรู้เรียนรู้สิ่งเหล่านั้นที่มันทําให้การรับรู้กายรับรู้ใจมันหายไปอยู่วางใจแบบนี้ง่ายพลิกกันตรงกันข้ามแค่เนี้ยแล้วเราจะไม่พยายามที่จะมีสติเพื่อที่จะไปฆ่าไปจัดการไปทําให้สิ่งนั้นหายไปทําให้สิ่งนั้นอยู่เราจะไม่พยายามให้สติอยู่กับกายจนเกินไปแต่เราจะไปสร้างเหตุให้มันกลับมานี่คือจุด คิดวิธีคิดหลักๆของมันวันนี้เราพูดเรื่องวันแรกที่เราเน้นวันนี้เราเน้นเรื่องกายกับอาการกายใช่ไหมกายกับอาการกายกายเป็นสิ่งหนึ่งอาการกายเป็นอีกสิ่งหนึ่งตัวนี้สำคัญนะสำคัญต่อการแยกแยะ ถ้าเราแยกแยะระหว่างกายกับอาการกายไม่ถูกเนี่ย e. <t> เราจะไปเพ่งจ้องใส่ก า, ายเราจะไปประคองใจไว้กับกายซส้นนินจะกลายเป็นอาการของสมถะทํานานเข้าใจเราจะแนบอยู่กับกายนิง่งๆจะกลายเป็นอาการสมรถพะพอมันกลายเป็นอาการสมรถะเราจะพยายามประคองความรู้สึกตัวตัวเนี้เราจะพยายามประคองใจให้มันแนบอยู่กับกายมันเป็นสมถะและเป็นอาการคิดรู้ เป็นสติตัวปลอมอดฟังอีกครั้งมันเป็นสติตัวปลอมไม่ใช่ของจริงสิบปียี่สิบปีไปพัฒนาของปลอมจะไปเจอของจริงไหมโอกาสน้อยที่จะกลับมาเจอของจริงเพราะเราไปพัฒนาตัวปลอมตัวไหนคือตัวปลอมตัวเนี้ยใจที่สร้างภาพไว้เนียเห็นไหม เราเราเคยทำไหมทีเดียมันไม่ใช่แค่นี้ใจมันสร้างภาพไว้เมียสร้างภาพของการรู้สึกตัวนี้รู้ความคิดไม่ใช่คิดรู้ไอ้คิดรู้สึกตัวเนี้ในปฏิจจสมบัทตัวนามารูปคือตัว น, น, ว น, ามมาวนี้เกิดจากสังขารเกิดจากใจที่สร้างอะไรเกินจากธรรมชาติเหล่านั้นความปวดความเมื่อที่เกิดขึ้น กายนี่เป็นอย่างหนึ่งความปวดความเมื่อยเนี่ยเป็นอย่างหนึ่งแต่สองสิ่งนี้เป็นธรรมชาติความปวดความเมื่อยที่เกิดจากกายเนี่ยเป็นธรรมชาติสติตัวจริงอยู่ตรงไหนสติตัวแท้คือตัวไหนตัวที่รับรู้อาการปวดกายกับอาการปวดเป็นสิ่งเดียวกันไหมอาการปวดขานี่เป็นสิ่งเดียวกันไหมกับขาอันนี้หลักของธนดา ท่านอาจารย์แยกโดยพิสดาร น, นะหัวกับอาการปวดหัวอย่างเดียวกันไหมหลักการง่ายๆถ้ามันเป็นสิ่งเดียวกันมันจะหายไปพร้อมกันถ้าหัวเป็นอย่างเดียวกับความปวดเวลาหายปวดหัวหัวมันจะหายไปด้วยขากับอาการปวดขาถ้ามันเป็นสิ่งเดียวกันมันจะหายไปพร้อมกันเวลาหายปวดขาขาต้องหายไปด้วย แต่เราหายปวดขาขายังอยู่แสดงว่าขาและอาการปวดขาไม่ใช่สิ่งเดียวกันวิธีแยกของท่านพิสดารดี <c oughs> อาตมาเป็นลูกศึษย์ก็เลยก๊อปเอามาใช้ต่อดีอยู่แล้ว <c oughs> ให้เราแยกให้เป็นถ้าเราแยกตัว น, นี้เป็นสาเหตุที่อาตมาเน้นนะตัว น, นี้เพราะรู้สึกว่าหลังหลังถ้าเราแยกอาการนี้ไม่ถูกนะ่ะเราจะพยายามรู้สึกรู้สึกรู้สึก รู้สึกตัวรู้สึกตัวแต่เราจะไปสร้างขึ้นมาแล้ว1ไปสร้างความรู้สึกตัวปลอมขึ้นมา2คือเราจะพยายามไปบังคับให้มันไปอยู่กับกายซึ่งมันใช้ผิดเครื่องมือถ้าเราบังคับให้ใจมาอยู่กับกายเนี่ยกายเนี่ยกว่ามันจะแสดงอาการของไตลักเนี่ยมันช้ามันช้าแต่ถ้ามันเป็นอาการที่เกิดกับกายทั้งหลายเนี่ยมันขยับขยื่อนเคลื่อนไหวแล้วเปลี่ยนแปลงตลอดใจมันจะเกาะ อาการที่เกิดกับกายไม่ได้ใจเราเคยเกาะเวทนาได้ไหมนั่งให้มันปวดอย่างเงี้ยแล้ลองขยับให้มันหายใจมันจะไปเกาะอาการของเวทนาได้ตรงไหนในเมื่อเวทนาเคลื่อนตัวตลอดแต่เราถ้าเราใช้ประเด็นไม่ถูกแล้วเรามาจับที่กายเนี่ยเราเอาใจมาเนี่ยไว้กับกายเนี่ยกายมันตั้งดีๆอยู่อย่างเงี้ยบ่อยๆมันไม่ค่อยเคลื่อนมันไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงใจเราก็เลยไปตำกายได้ง่าย กาปรปกดเก่งเพ่งจ้องเลยกลายไปการสร้างภาพภายในขึ้นมาผิดประเด็นของการรู้สึกตัวซื้อไปเลยง่ายมากต่อการผิดประเด็นแต่ถ้าเราแยกออกระหว่างอาการที่เกิดกับกายกับกายไม่ใช่เรื่องเดียวกันอาศัยอาการทั้งหลายที่เกิดกับกายการเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นอาการมือกับการเคลื่อนไหวเป็นอย่างเดียวกันไหมถ้าอย่างเดียวกันมันต้องหายใช่ไมเวลาหยุด การเคลื่อนไหวหายได้แต่มือยังอยู่อาการขึ้นปรากฏอย่างเนี้เมื่อตกกระทบอาการแต่ละขณะที่เกิดขึ้นมาตกกระทบมีอาการอะไรบ้างนั่นคืออาการเราใช้ตัวนี้อย่าไปแนบไว้กับมืออย่าไปแนบไว้กับเท้าแค่ให้ใจรับรูอ้อาการทั้งหลายที่กาลังเกิดเนี่ยบ่อยๆบ่อยๆทีทีท มีสามตัวนะหนึ่งกายสองอาการที่เกิดกับกายสองตัวนี้ไม่ต้องสร้างขึ้นประเด็นของมันไม่ต้องสร้างขึ้นที่ทวตมาโยงเรื่องวิธีคิดของพุทธเจ้าไม่ต้องไปสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นเป็นธรรมชาติอยู่แล้วไม่ต้องสร้างขึ้นเลยการเคลื่อนไหวนี่ไม่ต้องปฏิยามเอาใจมาสร้างมันท น, นี้ผิดประเด็นให้การเคลื่อนไหวเป็นเรื่องของกาย เป็นเรื่องของธรรมชาติถ้าเคลื่อนไหวแล้วมาสร้างหยุดก่อนรับรู้สิ่งนี้เองสองสิ่งนี้ไม่ต้องสร้างขึ้นเราแยกแยะเพื่อใช้เขาเป็นเครื่องมือฝึกตัวที่สามคือการรับรู้สิ่งที่เราฝึกคือการรับรู้รับรู้ต่ออาการรับรู้ต่อสิ่งที่กําลังเกิด อาการกายเกิดตอนไหนเกิดปัจจุบันอาการกายเนี่ยเกิดปัจจุบันเกิดตอนนี้เกิดขณะนี้ตรงกันข้ามกับการจมก็้าไปในความคิดในอารมณ์มันจะไปสู่อดีตไปสู่อนาคตแต่สิ่งที่กําลังเกิดอย่างเป็นธรรมาชาติจริงๆล้วนเกิดอยู่ตอนนี้ทั้งนั้นความที่เป็นธรรมาชาติที่เราไม่ต้องสร้างอะไรขึ้นเนี่ยนะ มันมีความพิสดารตรงที่ธรรมชาติทั้งหลายล้วนเกิดขณะปัจจุบันทั้งนั้นธรรมชาติไม่เกิดในอดีตไม่เกิดในอนาคตเช่นกันความปวดความเมื่อยตอนนี้ยมันเกิดในอดีตไหมในอดีตเป็นเรื่องของมันไปแล้วจบไปแล้วแต่ความปวดความเมื่อยที่นั่งอยู่ตอนนี้เกิดปัจจุบันทำทั้งหลายเกิดที่ปัจจุบันเกิดที่ปัจจุบันเราต้องสร้างทำทั้งหลายขึ้นไหมเราไม่ต้องสร้างทำทั้งหลายขึ้น เราแค่ไปฝึกธรรมชาติที่ทำหน้าที่ในการรับรู้เรียนรู้ต่อธรรมชาติที่กำลังเกิดประเด็นแค่นี้ไม่ต้องสร้างมันขึ้นสติก็ไม่ต้องสร้างขึ้นการเคลื่อนไหวก็ไม่ต้องสร้างขึ้นอาการที่เกิดกับกายทั้งหลายก็ไม่ต้องสร้างขึ้นเราแค่ใส่ใจกระตุ้นปลุกเร้าการรับรู้ต่อธรรมชาติเหล่านั้นให้เกิดขึ้น เราไปสร้างเหตุให้ธรรมชาติที่เรียกว่าสติให้ธรรมชาติที่ภาษาของกลุ่มงานเราเรียกว่ารู้สึกตัวเราไปสร้างเหตุธรรมชาติตัวเนี้ให้เกิดขึ้นให้เขาได้กําลังเท่านั้นแหละนี่คือความนี่คือหลักการวิธีการกระบวนการที่ถูกต้องที่ง่ายประเด็นแรกๆเราแยกให้ออกก่อน จะมาเห็นว่าสําคัญนะในรุ่นหลังๆเนี่ยถ้าเราแยกระหว่างกายกับอาการกายไม่ออกเนี่ยมันจะแยกจิตและอาการของจิตไม่ออกมันจะแยกความคิดแยกอารมณแยกอาการทั้งหลายไม่ออกแยกรูปแยกนามไม่ออกถ้าเราแยกออกระหว่างกายกับอาการกายเนี่ยแล้วก็การรับรู้อาการที่เกิดกับกายแม่นยํารูปหนาปรากฏชัดมากจะเข้าใจง่ายจะไม่หลบประเด็นความรู้สึกตัวตัวสติที่เราพัฒนาเนี่ยมันจะเป็นสติตัวจริง มันจะเป็นสติที่เป็นสติสัมผัสรู้เป็นสติที่รับรู้ตัวธรรมชาติทั้งหลายแบบรู้ซื๊อซีได้ง่ายมันจะไม่เป็นตัวคิดรู้มันจะเริ่มแยกออกถ้าเมื่อใดที่ใจมันสร้างภาพของความรู้สึกตัวขึ้นมาที่เกิดจากธรรมชาติ จ, จริงๆของการรับรู้เนี่ยมันจะเห็นง่ายขึ้นมันจะเห็นง่ายขึ้นถ้ามันเห็นง่ายขึ้นความรู้สึกตัวที่เป็นตัวธรรมชาติรับรู้จริงๆเนี่ยจะถูกสร้างเหตุได้บ่อยขึ้นแล้วเราจะภาวนาได้ตรงประเด็น จะตรงประเด็นขึ้นสมัยก่อนเขาไม่ต้องพูดเถียนเยอะนะหลวง่อเถีย น, นะนกับพูดแค่ว่ารู้สึกรู้ ส, สึกตัวพอรู้สึกตัวเขาทําถูกตัวตัวรู้สึกเนี่ยอะไรเกิดขึ้นไหนเราก็รู้สึกการเคลื่อนไหวก็รู้สึกไม่รู้ก็แค่รู้สึกว่าไม่รู้รู้รู้สึกหลวงพ่าเทียนนะรู้แล้วมันตื่นออกนัรับรู้ร่วมเติกอะไรเกิดขึ้นไหนมันตื่นออกมาตื่นออกมาตื่นออกมา พวกนี้ค่อยพูดเทคนิคของการตื่นออกให้ฟังทำยังไงที่มันจะตื่นออกรู้สึกตัวแบบหลงพระเทียนนะยรู้อะไรตื่นออกจากสิ่งนั้นการตื่นออกนะั้นเป็นอาการของสัมปชัญญะตื่นออกแบบปล่อยผ่านรู้แล้วไม่จมไปรู้แล้วไม่ได้จัดตามตื่นออกมาผ่านออกมาปล่อยเรื่องทั้งหลายผ่านไปผ่านไปสละอารมณ์ออกไปสิ่งนี้ท่านอาจารย์เรียนย้ําวันก่อนพูดเรื่องผ่านให้ฟังเพื่อส่งต่ออารมณ์แบบนี้ รู้อะไรเข้าใจอะไรเผลอไปกับอะไรปล่อยมันผ่านให้หมดไปเลยไม่ต้องไปยึดไม่ต้องไปเก็บไม่ต้องไปกลับปล่อยให้มันหลุดออกไปจากใจเราใจมันตื่นออกมารู้สึกตัวแปบนี้เทียนรู้แบบนี้แต่ถ้าเราพยายามเอาใจมาแนบไว้กับกายนี่มันปล่อยอะไรไั่ปล่อยที่ไม่ชอบแต่มันยึดเอาใจมายึดกายมายึดสติไว้นี่ผิดประเด็นนะผิด สูตรของลวงพ่อเถียนนะถ้าแบบนี้สิบปีก็สิบปีเหละเป็นคนดีเป็นคนดีที่ไม่ค่อยแจ้งเป็นคนดีที่ไม่ค่อยบางคนนะ่ะภาวานานี้มีข้อเสียอีกเรื่องหนึ่งถ้าทำไม่ดีทำไม่ถูกบางทีมันไปเกิดผลเสียเหมือนกันนะเป็นพวกรู้ธรรมะแต่ไม่น่าเข้าใกล้เป็นคนภาวานาที่ไม่อยากจะสนทนาด้วยเคยเจอไหมล่ะ อยู่ด้วยกันอยู่มูคณะเดียวกันอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยเป็นคนภาวนาที่ดีปล่อยวางทุกเรื่องแต่ใครยับเผล่นะเผลอได้ทิมข้างหลังคำคงบาดกันไปบาดกันมานะ่ะนั่นแหละอาการบิดเบี้ยวที่เกิดจากการภาวนาไม่ถูกต้องถ้าภาวนาที่ถูกต้องผลของการยอมรับผลของการง่ายใจที่ง่ายต่อสิ่งต่างๆ ใครที่อ่อนโยนไม่เป็นศัตรูตระสิกต่างๆไม่เป็นศัตรูไม่ประทะไม่จัดการไม่ตัดสินรับรู้และเรียนรู้จะเกิดเขึ้นเยอะมากเราจะไม่เป็นศัตรูกับผลนอกตัวเราไม่เป็นศัตรูกับอารมณ์เราจะไม่ตัดสินว่าคนนั้นทำไมเป็นแบบนั้นทําไมไม่จัดการแบบนี้สิ่งนี้ทําไมไม่เป็นแบบนั้นไม่เป็นแบบนี้อาการเหล่านี้จะลดลงมันจะเกิดการยอมรับยอมรับตัวเราเองยอมรับอารมณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นยอมรับและเรียนรู้ ยอมรับไม่ใช่สมยอมไม่ใช่สมยอมยอมรับไม่ใช่การสมยอมไปกับอารมณ์เรานนแต่มันจะไม่ถอนเลาะไม่เป็นศัตรูตอนนี้อารมณ์ที่เราชอบเราก็จะเป็นมิตรมันมากฟินกนรื่อนไหนก็ยิดเรื่องนั้นเอาไว้เป็นการสมยอมอย่างหนึง่งความง่วงเกิดขึ้นใจเราก็สมยอมไปกับความง่วงความคิดเกิดขึ้นใจเราก็สมยอมไปกับความคิด อารมณ์ไหน mm hmm. ที่เร า, เรา Anal, ไม่ชอบใจความโกรธเกิดขึ้นเราก็จะพยายามผักพยายามดันพยายามผลักพยายามดันอารมณ์เหล่านั้นไม่ให้เกิดให้หายใจเราเป็นศัตรูกับตัวเราเองใจเราเป็นศัตรูกับอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นภายในเราเองถ้าเราเข้าใจมากเข้าสัมผัสรู้มากเข้าเรียนรู้มากเข้าเราจะเลิกทะเลาะกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในเราเองก็จะเป็นการเรียนรู้เราจะไปทะเลาะกับเงาเราได้ยังไงเราจะเอาไม้ไปฟันเงา เราจะไปทะเทลาะกับเงาตัวเองความคิดอารมณ์ความโกรธความชอบไม่ชอบมันก็เหมือนเงาเรานี่แหล่ะมันเป็นส่วนที่ประกอบกันแล้วกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าเราแต่อารมณ์ปัจจุบันพอเราภาวนาเนี่ยเราจะทะเลาะกับเงาเราเนี่ยแต่ถ้าภาวนาได้ถูกทางรับรู้ได้ถูกทางพัฒนาตัวสติได้ถูกประเด็นเนี่ยใจจะเกิดการเรียนรู้ต่อสภาวะอารมณ์ของสิ่งที่เรียกว่าเรานี่แหละ ไม่ได้เห็นอะไรพิสดาร น, นะเห็นแค่ความเป็นเราเห็นมากเข้ามันจะยอมรับยอมรับว่าอ้มันเป็นอย่างนี้แต่ไม่สมยอมเป็นไปไม่เป็นไปกับอารมณ์เหล่านั้นมันเห็นโทษพอตัวเองรับได้ตัวเองยอมรับกับสิ่งต่างๆที่เกิดกับตัวเราเองได้คนอื่นเลอบตัวเราเราก็จะยอมรับเขาได้ง่ายจะไม่ปะทะไม่จัดการไม่ไปโทษคนนั้นไม่จัดการคนนี้แต่ใครทําผิดใครทําไม่ดี กุศลทำผิดกติกามันก็ไม่สมยอมอีกนั่นแหละมันก็จะแยกแยะเป็นแต่มันจะไม่ตัดสินเขาไม่โกรธไม่เกลียดเขาด้วยเหตุกระบวนการเหล่านี้ถ้าโกรธจะเกลียดจะเอาไว้ทําไมไม่ใช่เรื่องของเราที่จะต้องยอมรับหรือตัดสินอะไรต่ออะไรเรามีหน้าที่ศึกษาเรียนรู้ดูกระบวนการใช่เราจะตรงตรงธรรมชาติทั้งหลายอย่างนี้ชีวิตจะเดินง่ายเข้าเป็นง่ายขึ้น แต่ถ้าเราภาวนามาแล้วสามปี4ปี่ปีห้าปีรู้สึกตัวอยู่ดีๆิเหมือนเดิมแต่คนรอบตัวเริ่มตาแข็งใสเราไปเจออะไรที่ไม่ชอบใจตาแข็งจัด ก, การสิ่งนั้นจัด ก, การสิ่งนี้แสดงว่าเราภาวนาไม่ถูกภาวนามาหลายปีรู้สึกตัวที่ไหลแน่นข้างในรู้สึกตัวอันหนึ่งนะคนเก่าๆที่ภาวนามา ภาวนามาถึงจุดหนึ่งแล้วรู้สึกว่าไอ้รู้สึกตัวการภาวนาเนี่ยเป็นภาระของชีวิตเป็นสิ่งที่ต้องพยายามทำกระมันถ้าใครยังรู้สึกอย่างนั้นน่ะแสดงว่ายังไม่เข้าใจมันยังทำผิดทำผิดไปทำไอ้นี่ไปทาไอ้ภาพของการรู้สึกเนี่ยเอาไว้ ไอ้เนี่ยจะรู้สึกว่าต้องรักษาต้องพยายามทําต้องพยายามประคองต้องพยายามจัดการไว้แต่ถ้าใครทําได้ถูกตัวพัฒนาได้ถูกตัวชีวิตและภาวนาเป็นเรื่องเดียวกันไม่ได้แยกจากกันไม่ต้องประคองไว้ไม่ต้องแบกใส่บาไม่ต้องพยายามไปทําอะไรเอาไว้มันจะเป็นเรื่องเดียวกันการเคลื่อนการไหวการรู้สึกการภาวนาการตื่นการนอนการเดินการไปการมาทุกเรื่องจะกลายเป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมด ถ้าเราทําได้ถูกตัวนะถ้าพัฒนาได้ถูกประเด็นชีวิตและภาวนาเป็นเรื่องเดียวกันแต่ถ้าหลายปีแล้วแบรกมาใส่บาบาตั้งหลายปีโอ้ยรู้งี้ไม่ภาวนาดีกว่าใช้ชีวิตอยู่ปกติก็ดีแล้วพอมาภาวนาจะเดินสติต้องไปทํามาต้องชีวิตมีเรื่องภาระเพิ่มขึ้นอีกเรื่องหนึ่งไม่ทําก็ไม่ได้ใช่ไหมไม่ทําก็ไม่ได้นะไม่รู้สึกตัวไม่พยายามรู้สึกตัวไม่ได้ใจไม่ยอม พันจะยามันรู้สึกตัวก็โอ้ยต้องสู้ฝ่าฟันกับความโกรธความชอบไม่ชอบความอึดอัดขัดเคืองความง่วงความอ่อยสู่กระไรเรื่อ ง, มมงออเหล่า น, น, นี้อีกแล้วพอกายใจดีรู้สึกตัวดีก็ต้องพยายามรักษาไอความรู้สึกตัวไว้พยายามแบกมันไว้หมดเวลาเข้าไปในชีวิตการงานก็พยายามแบกไอ้รู้สึกตัวไปด้วย <c oughs> ใครทําอย่างนั้นะแสดงว่าทําผิดทําไม่ถึงทําไม่ตรงประเด็นอย่างแท้จริง เพราะถ้ามันถูกมันตรงประเด็นในแท้จริงการภาวนากับชีวิตเป็นเรื่องเดียวกันพอเราใช้ชีวิตเราใช้ด้วยอะไรบ้างก็หลักโทสะโมหะความชอบไม่ชอบสติมันยังอะไรทั้งหลายโลกที่เป็นธรรมชาติอยู่เหล่านั้นนั่นแหละเราก็ใช้ชีวิตอยู่กับไอสิ่งเหล่านี้ที่เป็นธรรมชาติสติก็เป็นธรรมชาติแต่พอมาภาวนามาเจริญสติทําไมทํำแล้วจะเกินธรรมชาติแสดงว่าเราทําผิดตัวจุดเริ่มต้นของมันนะ่ะ มันรู้สึกผิดไปหน่อยมันแยก่กายกับอาการกายไม่ออกถ้าแยกประเด็นของการใช้เครื่องมือได้ถูกอาการกายเป็นเครื่องมือรับรู้ฝึกให้ถูกตัวนะไม่ใช่ไปฝึกอาการกายนะฝึกรับรู้ใช้อาการกายฝึกการการับรู้รู้ยังไงรู้เฉยเฉยรู้และวิ้งไปเลยรู้แล้วปล่อยพาไม่ต้องรู้และเก็บอะไรไว้ มันมีมันมีให้เราเยอะแยะมากไม่ต้องเก็บมันมีไม่ขาดอาการที่มันเกิดกับกายเราตลอดนี่มันขาดตอนไหมนั่งอยู่นี่ความปวดความเมื่อยตาเสียงหูอาการที่เกิดกับกายเราทั้งหมดนี่มันจะหมดไปไหมไม่หมดหรอกรเพราะฉะนั้นไม่ต้องเก็บอะไรเลยความรู้สึกตัวที่รู้ทีลกษณะทีลกษณะก็แค่รับรู้มันรับรู้มันนี่ มันทำได้ตลอดไหมแล้วจะเก็บไปทำไมเพราะมันมีตลอดมันมีตลอดอยู่แล้วไม่ต้องเก็บไปแต่ทำให้มันถี่ขึ้นทำให้มันบ่อยขึ้นทำให้มันถี่ขึ้นไม่ต้องเก็บไปรู้แบบเนี้ยวางใจแบบเนี้ยแล้วจะภาวนาแบบเคลื่อนไหวแบบเดิลิกสติเนี่ยจะง่ายมากมันง่ายจริงๆนะภาวนาเนี่ย แต่หลังจากสี่ปีไปแล้วเนอาตมาไปบอกว่ามันง่ายอาตอมาก็มาทิ้มหัวตดำแบบทุกคนนี่แหละอูย้ยอาตอมาเคยเพ่งจ้องจนอิดอัดนู่นนะเป็นเดินไปหันไปเห็นลานถุงเกมข้างในเหมือนโดนอะไรกระทุกตึง้งขึ้นมาเลยด้วยความที่ใส่ใจเกินไปกลายเป็นบังคับเพ่งจ้องตั้งใจเกินไปเอาจริงเอาจริงเกินไปเดินไปเผลอความคิดเป็นเพลเนินเ่ยเอา้าเราเผลอไปแล้วไ่แน่นตึง้งข้างในเลย มันจะมาคคอผิดขนาดนั้นเคยพยายามรักษาเอาไว้รักษาตัวนี้เอาไว้ยิ่งรักษามันยิ่งหลงไปกับความคิดยิ่งพยายามคิดรู้สึกตัวขึ้นหนึง่งคิดขึ้นหนึง่งโอ้ยคิดสาระตะอจินตนาการพิสดารแต่ละเรื่องพิสดารมากเราก็คิดว่าเรารู้สึกตัวจริงไม่ใช่มันไม่ได้รู้สึกตัวจริงมันแค่เหมือนจะรู้สึกตัวว่าแค่เหมือนว่า ปัจจมันเป็นวนกับความคิดและก็พยายามรู้สึกวนกับความคิดพยายามรู้สึกนี่เป็นอาการหนึ่งเวลาคิดเราก็พยายามรู้สึกพยาพยามพยายามพยายามพยายามมันคิดเราก็พยายามรู้สึกเห็นส่วนเกินไหมเวลามันคิดเราพยายามรู้สึกไหมเห็นไหมว่าอะไรเกิด <c oughs> เห็นไหม การพยายามจะสู้กับมันการพยายามให้มันอยู่ไอ้นี่เกินอันนี้เกินสิ่งที่ทุกคนทํากันนะ่ะทุกคนทําหมดแหละไม่ต้องยิ้มหรอก <c oughs> ทําทุกคนนั่นแหละเวลามันคิดเราก็อยามรู้สึกใจเราหมนุนเห็นไหมเราหมนุนใจเราหมุนประคับผิดประเด็นเห็นความคิดอ่าคิดแล้วปล่อยผ่านขู่นแค่หยอกตื่นออก แค่นี้แค่นี้ในใจกรรมปัยามรู้สึกไว้รู้สึกไว้เราจะไปเข็นใจเราไปเข็นใจเราไปเข็นใจเราให้อยู่ตรงนี้สุดท้ายตกการบังคับเมื่อเราไปเข็นใจเราให้ไม่อยู่เนี่ยอาการปกติไปไหนล่ะเราจะไปเจออาการปกติไหมเราพยายามบังคับ ใ, ใจให้อยู่เนี่ยมันจะปกติได้ยังไงมันจะเป็นสมาธิได้ยังไง มันจะเป็นความว่างได้ยังไงก็เรากาลังไปสร้างตัวเองไว้ภายในใ น, นี่อาการนี้แหละที่บงังและเราชินมากกับการพยายามแจกไปเข้มใจให้มันทำบางอย่างนี่อาจจะมาไปทําไ้เนี่ยตลอดสองปีสี่ปีทํามันสองปีไป แ, แกะมัน อ, อีกสองปีถ้าผิดแล้วเนี่ยเวลาแกะนี่ใช้เวลาเยอะว่าจะมาเคลื่อนข้าไหนพยายามบังคับข้างไหนให้มันรู้ให้มันรู้ อันเลยจากการรับรู้ตร ง, ง, งๆง่ายๆรู้ดั่ใจสบายๆรู้แบบเอาไม่รู้ก็แค่ไม่รู้แต่เราไปเข้นข้างไหนมากไปอันนี้ผิดนะมันตรงกันข้ามฝา่งฝั่งของการออกจากวัตตะไอ้ น, นี่มันเป็นวนเป็นวัฏฏะ็นการบังคับเป็นการจัดการไม่ใช่การนั่งดูของพระเจ้าพระเจ้าเคยทำไอ้นี่มาก่อน ทำกระจายทำกระจายทำด้วยอาการหมุนใจหมุนกายตัวเองเนี่ยให้มันเป็นเนี่ยพระพุทธเจ้าทำมาก่อนในพินสามสายนะ่ะพระพุทธเจ้าเห็นตัวเนี่ยอ้าไม่ต้องทำก็ได้นี่งรับรู้เรียนรู้ตรงๆเลยเนี่ยของพระพุทธเจ้าเข้าตรงนี้โดยปกติเกิดตรงนี้ฝ้าฝั่งอีกฝ้าฝั่งหนึ่งกับความคุ้นชินของมนุษย์โลกอยู่ตรงนี้ แต่ถ้าเราเคลื่อนไหวรู้สึกตัวเผือไปคิดกับพยายามรู้สึกบังคับตัวไว้เราจะไม่เจอตัวปกติเราจะไม่เจอการตื่นรู้เราจะวิ่งเลยวิ่งเลยป้ายวิ่งเลยการสัมผัสรู้ง่ายเราจะวิ่งเลยสิ่งนี้ไปหมดถ้าเราวิ่งเลยสิ่งนี้ไปหมดนั่เข้าเราจะไปสร้างความรู้สึกตัวปลอมแล้วก็พัฒนาตัวรู้สึกตัวปลอมแทนประเด็นมีแค่นี้พูดดูง่ายเนาะ เรพูดแล้วมันง่ายมากคนนี้ยังไม่เข้าใจมันก็ยากมากนะไอ้เรื่องนี้มันอยู่ตรงข้ามกับความคุ้นชินของเราแต่เราต้องรู้ต้องรู้ว่าเราทําอะไรสรุปประเด็นหลักๆวันนี้นะแยกให้ออกระหว่างกายกับอาการกายแยกประเด็นนี้ให้ออกแล้วก็การรับรู้ตรงจงต่อสิ่งที่กำลังเกิดกับกายรับรู้ใส่ใจให้ใจมันรับรู้รับรู้รับรู้ ที่ลักษณะเล่นเนล่นง่ยๆไม่ต้องรู้เยอะรู้แต่สิ่งที่เกิดตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างเคลื่อนไหวบ้างหยุดบ้างก็ได้นั่งเฉยๆบ้างก็ได้เคลื่อนไหวอ้าวเผลอไปชิดขยับหน่อยแค่นี้ฝึกซ้อมเรื่องนี้ให้แม่นยำก้าวแรกสําคัญเสมอในการเดินทางถ้าก้าวแรกขึ้นถนนผิดยาว ขนาดเราพยายามสร้างถูกอย่างนี้มันยังไปผิดอยู่ตลอดเลยไม่มีใครเราสัมผัสรู้แล้วเอาหูสัมผัสรู้ทั่วพร้อมได้ตลอดเวลาเด็กพวกเราไม่ได้หรอกย า, ยามสัมผัสรู้ใจในหัวเรามีภาพของคิดรู้แทรกตลอดหละแต่ถ้าเราแยกตัวนี้ไม่ออกยิ่งนานยิ่งแย่ยิ่งนา น, ย, ย, ย, น, านยิ่งไปผิดทางเพราะฉะนั้นวันแรกเนี่ยย้ําประเด็นนี้ให้ชัดทั้งคนใหม่คนเก่าย้ําประเด็นนี้ให้ชัดเข้าใจนะมันแรกเนี่ย เอาให้ชัดแค่นี้ล่ะพอแล้วเนาะ <c oughs> ใครที่ทำแล้วกดเก่งเพ่งจ้องมานานๆใครที่ทำแล้วยังไม่เข้าใจภาวนามาแล้วเอ๊ะทำไมยังไม่แจ้งการไม่แจ้งคืออะไรมันบอกตัวเองว่าเราเข้าใจเรื่องนี้จริงๆไม่ได้ใจมันลองรับยังสุดใจไม่ได้นั่นแหละคือยังไม่แจ้ง มันยังประกาศต่อใจตัวเองยืงยันกระใจตัวเองว่าโอ้เราเข้าใจเรื่องนี้จริงๆเราสัมผัสได้จริงๆเรื่องนี้ถ้ามันยังไม่แน่น ไ, ไ, ไม่แจ่มกับตัวเราภายในเนี่ยนั่นแหละคือการไม่แจ่มกลับมาดูเราสร้างเหตุผิดตรงไหนกลับมาโยนโสต่อกระบวนการที่เราทําให้ดีๆไม่งั้นเราลงทุนเยอะกับความเพียรกับการตั้งใจกับการเดินจงกรมกับการยกมือสร้างจังหวะเราตั้งใจกับมันมากใส่ความเพียรเข้าไปมาก แต่ผลที่เกิดมา ไ, มได้น้อยเดียวบางทีผลเกิดมาเป็นผลเสียอีกด้วยซ้ําน่าเสียดายกลับมาดูเหตุดูสิ่งที่เราสร้างเหตุตเนี่ยประเด็นแรกแยกสองตัวที่ให้ออกก่อนกายกับอาการที่เกิดกับกายแล้วก็การรับรู้ต่ออาการที่เกิดกับกายตรงๆเนี่ยกลับมาซ้อมจังหวะนี้ดูสิว่ามันจริงไหมมันใช่ตรงนี้จริงไหม ตัวนี้ให้แม่นยำถ้าแม่นยำตัวนี้ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมที่เป็นสติสัมปชัญญะแบบธรรมชาติง่ายๆจะมนพัฒนาต่อเ น, นื่องได้ง่ายจะแก้กหลายปัญหาได้ลองไปทบทวนดูนะเรื่องนี้ทั้งคนใหม่คนเก่า